มีวันพระสุดท้ายเสินจท้ายของเดือน <c oughs> มู่เช้าทางใจจะพูดกึบเสินเนี่ยเพราะว่าคำว่าเสิน จ, จะรู้ได้ยางไงครับเสินเขาบอกต้องอยู่ด้วยกันนานๆถึงจะเห็นสินของกันและกัน ทนเด็กว่าสินแสดง <c oughs> เดี๋ยวมันแสดงออกมาเองมีกันช่วยยะสั้นๆเนี้ยมันมองไม่เห็นกันคือมองมเห็นสินอันนี้คือข้อแรกวิชาจะตั้งใจอธิบายเรื่องสินรายละเอียด ก็เลยไม่ได้เล่าที่จริงเราอยากจะถามสิ่งค่าวที่แล้วเราคุยกันว่ามันน่าจะมีสักวันระทือเรื่องอสนทนาธรรมพราะม่งั้นเหมือนกับพูดคนเดียวเหมือนครูสอนัองเรียนก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กูก็อาหน้าเข้ากระดานก็พูดไปคนเดียวอัานหลังให้นักเรียนนักเรียนยังไงก็ไม่รู้สมัยเรียนหนังสือก็มีอาจารย์คนนี้จะสอนดีมากเแต่เขียนแล้วก็ลบลบไปก็เขียนองจนชํนานาญถามว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ถามนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจครับ รู้ก็จอะไรไปต่ออันนี้คือเหมือนกันว่าเราฝูดมานานแล้วที่จริงหลายสนานันบอกก็เรียวสอบอารมณ์เขาไปฏิบัติเสร็จแล้วก็สอบอารมณ์อดี่ให้ทําทําไปเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะายยอันดีไซน์ยุบหนอ้อฟังน้อ อันนี้เขามาสอบอารมณ์ก็าเายานสิบหกเป็นตัวตั้งค์ผมก็เอาเรียนได้เหมือนกันพอพูดถึงยานสิบหกเป็นตัววัดถ้าเราใคอยากรู้ปริยัติก็ต้องไปอ่านดูมีอะไรบ้างสรุปก็คือวันนี้ขั้นขึ้นยานหนึ่งยานสองยานสามยานสีถึงสิบหก ว่ากันอย่างนั้นในทางปริยัติในทางตาเป็นไปได้แล้วสักวันพเรามาถามตอบจริงๆจะเป็นคนไปถามเลยไม่ให้ผู้สอาตอบมากกว่ามันน่าจะได้ประโยชน์วิธีมาก็เลยมีการแสดงธรรมขลเลแสดงธรรม ต่อไปก็เป็นหน่าจะเรื่องแสดงตนละทีนี้การแสดงมีสองอย่างคือเบื้องตนในการแสดงตนแล้วก็แสดงธรรมการแสดงตนเป็นต้องราบ้านระวังอย่างยิ่งเพราะงั้นบางอย่างมันกลายเป็นการอวดไปูนกา ร, ราอวดที่ทำที่ไม่มีในตนการปรับประบัติหนัก ปไปฝ่ายละเจอเจอปฏิบัติอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอังนั้รูาอาจารย์ทุกอย่างไม่เจ่ยงที่จะไม่พูดในสิ่งเหล่านี้พูดไปแล้วมันจะมัดตัวเองมันจะมีจะมมจะมโจคือมีคนโจตายเพราะว่าเวลาเห็นเห็นคนเดียว ผูอื่นไม่ได้เห็นด้วยมันลําบากตัวเนี่ตัวอธิบายการนั่งสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันวันนี้อนุญาติเป็นเป็นว่าฝันไปก็ได้อะไรก็ได้อย่าจะเรียกว่าลึกชาตปฏิบัติเพื่อเราประสบการเพื่อเป็นการกำลังใจกับพวกเราพราะคงจะไม่มีโจทย์จะมีจําเลยอย่าปรับอับดับกันอบดับหนักอับดับเบาอับดับกลาง ก็เป็นการเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งหลังจากที่จำภาษาที่กำลังไปสร้างบทเนี้ยที่ไม่เจานหลวงคุณไ ม, ม่วากเนี้ยออกภาษาแล้วก็น้าเล้น ก็ไปต่อก็ <c oughs> ามานเดื่นไปษาต่อแตะต่อแตะไปเลยืยคำไหนนอนนั่นไปไกลมัง่งไกลมัง่งวันละสิบกิโลยี่สิบกิโลสาสิบกิโล้โลโลแลวแต่สะดวกเห็นชาวเขาชาวเรา <c oughs> แล้วเห็นความเป็นอยู่ ที่เราว่าลำบากแล้วเขาลำบากยิ่งกว่าเราปัจจัยสีที่เราเรียกร้องตามหากันที่่อยสายข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอภรรยาแลาลูกสิ่งจะเป็นในชีวิตของเราเขามีน้อยมีน้อยมาก ก็ไปเห็นนะเปรียบเทียบปูมาอุปมาโอคนทั่วไปที่เรียกว่าลำบากลำบากมันยังเทียบกันไม่ได้ความจริองอยู่ส่วนเรื่องโมูลเหตุที่มาที่ไปทไําไมแต่คนต้องมีความแตกต่างกันขนาดนี้เป็นคนเหมือนกันประเทศเดียวกันเลือดแม่กันดังความเชีวิตริงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็อยากให้พวกเราเมาโอเราเรา คิดว่าเราลมบากเนะ่ยถ้าไปาพูดกับพวกเขาแล้วอันนี้เป็นปมมาปมไเพื่อให้เห็นว่าเขามีปมด้อยด้อยทุกอย่างไม่ใช่เรากำลังพูดถึงความกินอาหารการกินกึ่งอยู่อาศัยแต่ที่แน่ๆคือนัาใจที่คนเมืองกับคนปา่ามีไม่เท่ากันเขาเป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ คนไม่รู้ด้วยซ้าคนไม่เห็นดยพระด้วยซ้ำไม่รู้จักใช้บุญใช้บาตรกันไปเรื่อยเพราพวกนี้พักไปถึงครับตอนเย็นก็ไปรเรียกจะมากินข้าวเหมือนเบาไปเหมือนเราเป็นแขกไปเยี่ยมบ้านเขาทําไมไม่นอนในบ้านบอกนอนบ้านเราก็ได้ให้เป็นภาษาเรานะแต่ก็พูดภ า, ภาษาคำเมืองโชคดีได้พูดคาเ ม, มืองได้พูดกลางของเขารู้เรื่อง พอไป่เป็นไรนั่งนอนตรงนี้สะดวกกว่าพวกนี้จะไปหาก็คือมินทาบันนี่แหละัเปลี่ยนออกมาใส่บาทตัางข่าวตัางแกนเทรสดที่เดกกันเมื่อถามว่าพอพอไหมก็คือธรรมชาติเ่าบอกพอแกนี้ก็พอแล้วไ ด, ได้เห็นมองเห็นว่าเออทำไมคนดอกมันแตกต่างกันนี่แกนั่นจิตใจเขาจิตใจดี ก็เดินไปเรื่อยๆใช้เวลาเดินตั้งแต่มเมษาถึงกรกฎาเสร็จหมดชาวเขาเชาวเราสารพัดขออยู่ไงกินยังไงอาบอ ย, ายังไงกินยังไงอาบนอาบก็อาบแบไรทำไมชาติแค่ไม้ฝ่เครื่องฉีดจะต่อออกมาก็ต่อต่อต่อกันมาก็อาบได้ทั้งดื่มไปกินทั้งอาบอาบก็อาบแบบโบราณ ไมไ่เด็กๆอาบน้ำโบ ร, ราณครอบครัวเมันก็อยู่ว่านอกมาดูอยาก <c oughs> ใดเวลาก็าาาไปอาบอาบก็ไปอาบที่น้ำบ่อ <c oughs> ห่วยหลองที่น้ำนั้นไหลลงมาทั้งหมู่บ้าน <c oughs> ปรากฏเราก็ไปจะอาบเหมือนกันไปส่งน้ำเวลาอาบก็ถามก่อนนั่น <c oughs> แหล่งน้ำอยู่ตรงไหนน้ำดื่มน้ำากินน้ำใช้ <c oughs> ก็กดเข้าไปช่วงเย็นละอาบไม่ได้กรดูชุดอาบน้ําเขาอาบพวกเขาก็ไม่ได้รเราก็มีชุดเดียวนะชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันมันไม่ได้ถ้อาบคนเขาอาบไม่ได้เลยพวกเรานึ่นภาพดูว่าอาบเข า, าอาบยังไงไมสมัยโบราณ <c oughs> ก็เดินต่อแตะไปเรื่อยๆสามเดือนทีเดินจนถึงกรกฎาเข้าพม่าถึงพม่าเขาบอกเป็นเขตบุรีรัมย์อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างเขตมอญกับเขตเชียงเรียนข้ามแม่น้ําอะไรก็ไม่รู้เยอะมากการแตะเข้ามาบางทีก็ใช้เรือเราเรือชาวบ้าน คือถ <c oughs> ึงเวลาอ่ะที่จริงมันจะกลับมันกลับไม่ได้ที่ใกล้เข้าเป็นตาแล้วก็จะเดินกลับนี้ก็ไม่น่าจะทจะันกะจำภาษาที่นั้น <c oughs> จำภาสาในปาช้าเพววัดบานเขาไม่ห่างกันเรา อ, อยากบ้านก็เป็นปา่าเราจะป่าก็เป็นป่าช้า ก็อยู่ป่ายช้าให้เขาทำกระต๊อบให้กระต๊อบก็คือไม้ไผ่นะไม้ไผ่เยอะอ่แล้วก็สับสับสับสัสสสแล้วก็แผ่มาแล้วก็ไม้ขีดมัดเป็นผนังเป็นพื้นหลังคาก็ตองตึงเชาบางก็ช่วยๆๆไม้ก็สกเสาเล็กเลยกพื้น สองระดับตรงหน้าปกติจะเป็นที่ชั้นเป็นที่รับแกสกทุกอย่างก็คือไม้ไฟไห น, น <c oughs> ต, ตัวตางกดแล้วก็ทาทางเลยจงกรมให้ข้างๆเรากดระดัที่อยู่เนะี่ยเรากดระดงูชมมากเลยงูเงี้ยวเขียวคอโดยเฉพาะงูงข้งคอด คือมาเรียกเราเรงูอะไรงูสั้นๆเหมือนหลักไม้สมัยโบราณนะทำนายห้อยไปถ้าใครรู้จักนายห้อยเวลาไปตอนวัวตอนไหนใต้เป็นเป็นหลักเหมือนหลักเนี่ยตอนแรวั็ระวังมันไม่ยาวถูกป้อมอ้วนๆสั้นๆเวลามาจบมันจะจบข้างๆสวิงตัวข้างๆ ไปตกตรงพิษแรงชาวบ้านเข า, ายบ่อยตายเพราะงูนี่ถ้ามันขัดก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วมันไม่ทันไปยังไงก็ไม่ทันราชุมแล้วก็สารพัดงอเดินจุกจมกลับมาเพื่อมาดูๆอยู่เอออันันไม่ใช่งูพิษเพราะมันไม่มีไฟ อย่เดทเทียนก็ไม่ได้จุดอ้าก็จุดมาเหมือนทำไมเย็นๆหัวปรากฏก็งูงูให้หัวลงมาเึ่งม่รู้เป็นหัวเลยเพราะนั้นเวลานอนเนี่ยต้องมุ้งนี่ต้องจิตรอบเลยเอาไมา้ทับทๆๆั บ, บ, บ, บ, บเอาไว้ไม่ให้มันเข้าได้เดี๋ยวไปอุจจระปัสสวะเนี่ยต้องระวัดระวังก็มีสติถูกหง แต่ระมาระวังความมีสติจริงๆเวามืดค่ำไม่มีแสงสว่างเดินไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งเคยเดินแล้วเดินจมกลมจนค่ำโอ้โ <c oughs> หมองกว่าเพราะสลัวๆพอเดินกลับม า, าแล้วเอ๊ะทาไมมีไม้ตกขวางทางเดินก้มลงไปหยิบจะไปดูว่าอ้าวมันงูอำไปใช่ไม้ไม่ว่าท่อนไม้ มันเป็นงูดีถ้าไ่เจ็บมันโอล่แต่มั น, มนฉก้ว เ, เิดอะไรขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรก็ใช้เวลาอยู่จะมีเวลาเยอะหน่อยเพราะว่ามื่นฟํามาชาบัดก็ไม่มาเพราะเป็นไ ป, ไปช้าโชคดีก็จะมาตรงเช้ามาจังหันเข้าปาหารหรือเพื่อที่นเขาไม่บินบบดกันไม่ใช้เราบินบบ แค่หารบินะบาทกัเลี้ยงพระวัดไปที่เหลือเอาไปถว า, ายเพ็ญพรวัดในบ้านเอาไปอาหารเหลือเปื่อก <c oughs> จนอยู่เป็นเดือนหน้าฝนฝนดีมากเหมือนเหมือนเราเนี่ยบรรยากาศเราอะเหือนบรรยากาศนี้งเลยเวลาฝนตกโดนไม้ตองตึงอย่างเงี้ยเลยปอแปะปอแปะปอแปะจไม่ได้ยินอะไรข้าหรอก ก็ทำอะไรไม่ได้ดชื้นผลชบบรรยากาศเหมือนตอนนี้เลยกับพอแปะพอแปะแต่ก็มีคืนประมาณเดือนจริงอยากจะเล่ารายละเอียดแต่มันเล่าไม่ได้ไม่ได้เอาเราจะเฉพาะจะเป็นบางช่วงที่จะเล่าได้นะก็เพอนะวันหนึ่ง <c oughs> อีหลงที่ มาช่วยทํากุฏิแล้วเพื่นแกก็มาวัดประจำเพื่อนแกตายก่อนตายก็ไปเยี่ยมเขาเขาบอกว่ามันมีปัญหากันนิดหน่อยระหว่างคนเลี้ยงวัวด้วยกันน่าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงคือเลี้ยงปล่อยปล่อยอยู่ในป่าถึงเวลาก็าไปต้อนออกปารากฏว่า พอลูกวัวออกมามันไม่รู้ว่าเป็นลูกวัวใครบ่งคนเขาบอกว่าของตัวเองเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ้างใช่ยงนั้นดูสิว่ามันมันไปกินนมของใครต่อเป็นของคนนั้นสะดวคือมันไปกินทั้งคู่เหรอว่วเด็กเพราะตัดสินใจไม่ได้เป็นวัวของใครก็ทะเลาะกัน แต่วล่ า, าสุดท้ายก็คือแก็บไม่สบายทีนี้ความเชื่อทิ่ทีพูดว่าความเชื่อความจริงเป็นอย่างเนี้ความเชื่อของเขาก็คือมันหนีไปพ่นน้นงใส่ยาสตร์ที่ประเทศไหนกัแล้วแต่ก็บอกคล้ายๆว่าอันนี้โดนมีคนทําให้คนทําภาษาทางเหนือคือคุณตู้คือใส่ของเนี่แหละที่นั่นก็มีพวกกรเลียงพวกกลังกลังขอกลา กระถาะเขารงกระถาะเรงก็เลยสงสัยเป็นคู่กรณีทำใส่หรือเปล่าุท้านแกก็ตายพอตายเสร็จถึงเวลาเขามาเผาที่บ่ายช้าหัวไก่คำแล้ลหวหัวคำแล้วแต่ว่ายังมีแสงถฉยแต่ห้าโมงหกโมงกว่าฝนตกไม่แรง ฝนตกคั่มฟมเป็นฝอยเป็นกระสายน่แต่ผลมันก็เริ่มตกที น, นี้ด้วยความสงสัยใช่ว่าโดินใส่ของหรือเปล่าเพราะว่าแกปวดมาปวดท้องท้องโตก็เลยหมอคงจะเป็นไหนจะเป็นหมอผีแหละเาก็เอามีดหมอมาผ่าเอาขึ้นบนกองฟอง เผาธรรมชาติเ่เอาไม้ซ้อนๆ้พื่อ้อกันสลับกันไปมาเด็กกองฟ อ, อนเหมือนโบราณตั้งสีเสาึา้นมาแล้วเสาตั้งๆๆแล้วก็จะแยังไม่เผาจริงๆแล้วเวลาเผาันต้องจับความแต่เพื่อต้องการให้รู้ก็เลยจับไงท้องว่าผ่าออามาแล้วข้างในมันมีมีหนังหรือเปล่านังวัว น, นังควายนี่เปล่าขาเจาเสกหนังเขาท้อง กดี๋ยวเอาชาวบ้านก็านะพอพาเสร็จแล้วก็ไปยืนดูขเขาด้วยในขณะทีนน่เขาพาแต่ก็ยินเหลียวลมอย่าลืมว่าคนตายเนะี่ยมันบานออกมันไม่เหมือนในเมืองเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรกลิ่นมนันอืมกลิ่นเหม็นของสัตว์ทั้งหลายมันพิมพ์เหม็นแล้วมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยนิราท่านจะบอกว่าเวลาพิจารณาอาสุภาเนี่ย ท่านบอกให้ยืนอยู่เหนือลมเพื่ออยู่ใต้ลมมันอยู่ไม่ได้ป ร, กรากฏว่าผ่าเสร็จแล้วผมไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรชบาบ้านก็สบายใจแล้วเลยจับความทาความเหมือนเดิมไม้ขัดขาด้านหลังเอาไม้ทับในท่านนอนคือนอนความ แล้วก็วางเพลิงคือจุดไฟฝนมันเริ่มตกมันไม่ได้หนักอะตกพรำๆนี่แหละชาวบ้านเขากลับหมดแล้วมันก็เหลือแต่พระอาจจะนี่ไม่รักกลนเลยนครับพระเจ้ า, แ ต, าแต่ถือโอกาสนี่และวยุคิจนะาอาสุภาษอย่างนี้มันไม่หนีก็จุดไฟแล้วเขาก็กลับ เราก็มานั่งดูใต้ดต้นไม้ต้นไม้ก็ต้นไม้ใหญ่มัเนเท่าเท่าแขนเนื่องจากฝนตกใต้ต้นไม้แต่ต้นไม้มันก็พิ่งเลยไม่ได้ดฝนมาเริ่รมทำๆก็อมองไฟกำลังเริ่มลุกลุกโชวมันก็นหลับตาก็พิจารณาเรื่องอสุภะเนีย่ยความเป็นอสุภะความ่สวยงามก็ไงามควาด ตับไตใส่พุงไยก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นหลับตาลืมตามองลืมตามเริ่มไม่ไม่สีสันจากผมที่มีอยู่เนี่ยมันก็เริ่มหายไปหายไปมันก็เหลือแต่กะโหล ก, กเหลือแต่กะโหลกเบ้าตาประวตามันก็หล่นออกมาความ พอในช่วงท้องมันเริ่มไหม้พอพอช่วงท้องมันเริ่มไหม้เนี่ยแล้วเราก็หลับตาพอเลิมตาอีกทีนะคือมันตั้งมวยใส่แล้วตัวเนี่ยมือท่าคู่เขา่าตั้งเป็นท่ามวยเนี่ยเหมือนกาดมวยเนี่ยพอเลืมตาเนี่ยน้องเฮ้ยเกรงก็ตกใจนองบอกเฮ้ยจะลุกแล้วถ้าตั้งลำ้ำแรกก็จะ ว, วิ่งแล้ว พอไฟมันลุกท่วมตัวเราเรา๋ย mm hmm. คิดว่าไอ้เค้ยมันว่ายังไม่ตายหรือเปล่ายังเป็นอยู่หรือเปล่าไอ้กลัวมันก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวกัเฮ้ยครแรกเนี่ยอเผลอสุนัขดู ข, ข, ข้างๆมันกำลังแทะมะพร้าวที่เอาล้างหน้าพอเคยปุ๊บไอ้หมามันก็สะดุ้งมันก็หันมองเรา ก็เลยได้สติกอโอ้ยเขาบอกว่าหมาเนี่ยธรรมชาติแล้วก็จะเห็นผีมันจะกลัวผีหมาไม่ยังไม่กลัวเลยเราเป็นพระก็ได้สติก็ อ, อายหมาก็นั่งลอเหมือนเดิมมันจะไหม้มันก็ยุบลงยุบลงฟื้นฟื้นก็ไม่ได้เยอะพอมันยุบลงเนื้อเจ้าคนก็เริ่ม มันกริ่ ม, มืดเริ่มค่าอารมณ์นั้นมันติดตามันอาจจะกระชากอารมณ์ก็ได้อาจจะเ ก, กิดความกลัวสุด ข, ขีดก็ได้มันเลยติดตามันกลายเป็นอุ ก, กหาจนิมดๆเลยไม่รู้ตัวแต่นี่พอภาวนาแค่ที่เรากําหนดลมหายใจพุโทโธส ม, มุสังโฆพอหลับตาพอกาหนดลมอะไรเมื่อไรมันกลายเป็นนิดๆ ภาพนั้นปรากฏขึ้นมานีเป็นภาพที่ไฟกำลังไหม้ลบกท่วมตัวมันกลับไปโอบกันในมิตปในตัวเลยสรุปว่าภาษานั้นก็คือใช้ในมิตอันนี้คือยืนเดินนั่งออก็กําหนดลมกนน็มีมิติแล้วอยู่กับมีมิติพ่อหน้านั้นมันมีแต่มันมันเป็นนมิตที่มันไม่ได้นอน อาจจะเป็นเสียงบ้างแต่ที่เป็นรูปชัดเจนอย่างเง้ยมันไม่มีวัดถึงบอกว่านี้เม็ดนี่มั น, มนเป็นเป็นกลิ่นก็มีเป็นเสียงก็มีเป็นรูปก็มีที่เป็นกลิ่นเป็นกลิ่นที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้คนละปีอนะมาเป็นกลิ่นกลิ่นีนเหม็นมาก พอไปไปแขวนกดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้านน้าเป็นเป็นเป็นแม่น้าซึ่งแม่น้ำแล้วเป็นห้วยน้ำไหลตลอดแต่ก็พอเห็นพอส่วส่วพอนั่งจะนั่ง่ไหร่กลิ่นเหม็นจนทนไม่ได้มันเหมือนมีสัตว์ใจญ่รอบๆตัวตายก็พยายามเดินลุกดู ไม่มีแต่พักกรได้ยินเสียงเมื่อคนเดินอยู่ในน้ําจำจำจำเข้าใจว่าเป็นคนหาปลาโรงพยาบ้านเขามาหาปลาแล้ว ม, มั้งพอจัดแจงมันลืมตามองดูไม่มีใครน้ําก็ไม่เกิดเพื่อนแล้วมันคืออะไรเป็นลองนิดได้อ๋อ ต้นไม้ตัวนี้น่าจะมีเจ้าของเพราะเขาคงไม่อยากให้เราอยู่ก็าเขาอยู่เราคงอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้ก็ไปย้ายที่จากต้นไม้ใหญ่ไปต้ไม้อื่นไม่มีอะไรหลับสบายเชา้าไปยินทวารหนึงว่ากลับมาจังก็จะออกมาเดินดูว่ามีอะไรสัตว์อะไรตายหรือเปล่าไม่มีเนี่ยเขาเรีกว่ากลิ่นฉะ น, นั้นเจอเสียง เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกิ่นครบนเม็ดครบเลยงั้นกับอานิพพะมาเนี้ยมกราฟีอะรเงอาศัยนเมิตอันนี้แหละที่นจระญอาจารย์บอกว่าทำให้มันชัดนานเรืยกว่าสื่อถ้าเ า, า, า, า, า, าจะมีความรู้พิเศษที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจไม่เคยเห็นมันจะปรากฏออกมามเป็นนเม็ด เห็น ร, รอบๆบริเวณปกักโกรนนั้นเป็นเคยเป็นวัดเก่าเนี่ยมันเป็นวัดเก่ามีของเก่าเลยที่บริเวณนั้นแล้วก็ถามชาวบ้านว่าตรงนั้นเคยมีคนลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นไหมผมยาวยังลงอยู่มีลูกเลยเขาบอกเพิ่งตายไปฝังตรงนั้นนะอัจจาบันไม่จริงมันก็ไม่ได้ มันก็รงก็ถาวมีอะไรหรือพอกฟังหรือว่าใส่บาตให้เขาหน่อยนะถ้ารู้จักชื่อแต่ใครใครเป็นยากิก็บอกเขาใส่บาตให้เขาหน่อยถ้าจะเห็นว่าพออย่างนั้นมันก็มีความความรู้พิเศษไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแตนะ่ที่เกิดขึ้นแม้แต่เรื่องอย่างอื่นเช่นเราพูดคาพูดของเรานะ เราก็พูดธรรมดาวันหนึ่งเขาเอาอาหารมาถวายแต่เพื่ อ, อินว่าฉันไปแล้วถือมาเป็ น, นติโตก็เลยบ้าบถึิว่าบอกเราว่ารับแล้วนะแต่ว่าองไม่ได้ฉันเขาก็อาจมาฉันมืดเดียวไปยกคืในให้เข้าไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากพราโกรว่ากลับไปบ้านเขาไม่ได้คิดอย่างเราอะ ที่นุ่นก็เล่นสองตัวสามตัวบ้านเรานี่แหละปรากฏก็กลับไปโอ้ท่านคงให้ของดีเนาะหมุนไปหมุนมาข้างๆมีตัว <c oughs> มีตัวเลขอยู่เอาไปแทงหวยถูกอีกแล้วคนละเรื่องเลยทอ้าวเรื่องใหญ่แล้วทีนี้ผลหมากลากไม้น้ำอ้อยน้ำตาลแต้มจะกินวดไม่ไหวทีนี้ ทำอะไรมันก็เป็นของผู้นี้ไปหมดเลยไปบินาบายียบแก้วเขาก็ไปตีไม่รู้ว่าตีเป็นไรทำไมาะถูกอธิบายเรื่องข้าวบรรตาเรื่องดักากาะพุทธเจ้าไิสุดจัทเรุปริพานพามปดูพุทธรูกพุทธรูกยกมือสมนิ้วห้านิ้วตำ่าดูเขาไปตีเป็นหัวยอีกถูกอีก ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่มีเจตนาไป็น อ, อื่นเลยไมค์เล ย, เยโอ้ทำม่รูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าที่ที่ตรงนั้นเคยมีพระธุดงอย่างนี้นไปอยู่แล้วโยมก็มานอนมอเฝ้าโยมก็มาอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นท่านไม่อยู่ปรากฏว่าต้นไม้ต้นไม้ต้นก็ไม่ใหญ่ ทียจริงมันยังห่างจากปกติประมาณจากสี่ห้าเมตรพอกระพรายกับทมามมันโน้มาปกติแกก็ลืมตาขึ้นมาตกใจวิ่งจนเลยบ้างหมพวพ่อไม่ทอนะนันเหมือพระไม่พอนะแต่คงจะคิดไม่ ด, ดีอหาะคิดว่าเพราะนั้นแกไปคิดว่าของที่เราไม่ไม่เห็นตัวมันไม่มีมันม อันนี้นี้่จ่ายเราคอเราฟังเพื่อเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ว่าอครูบาอาจารย์แต่ละคนแต่ละรูปแต่ลนามและที่สำคัญคือเวลาเราจิตเราเป็นสมาธิระดับหนึ่งมันก็เป็นมนิตะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมีครูบาอาจารย์จะมาให้ธรรมะครูาอาจารย์เจอเราจากคนเราก็ไม่ได้คิดจริงแต่ว่ามานะมันก็ให้ธรรมะ เมื่อกี้ก็ไม่ได้มีห้าธรรมะเป็นรูปเฉยๆมาให้เห็นเฉยๆ ม, มันก็มีแต่ว่าให้เราคิดตัวเองว่าเช่นเราประมาทหรือเปล่าวันนี้เราเขี้เกียจหรือเปล่าท่า น, นก็มาเตือนแต่ละคนที่ปฏิบัติออันนี้ก็เป็นกำลังใจว่าครูอาจารย์ของเราแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามก็จะได้มาเป็นผู้เป็นคน เพราะฉะนั้นเราเวลาพาวนานกี่โพูโพูดมาทั้งหมดหมดปีหมดชาตินี่ก็คืออย่าให้พวกเราอาศัยหลักการวิธีการหนึ่งแนวอย่างนี้ก็คือว่าเช่นดินน้ําไฟลมที่เราอยู่เรพิจารณาว่าเออดินเป็นยังไงน้ำเป็นยังไลงลมเป็นยังไงก็จะว่ารูปส่วนนามอีสีตัว เราจึงเรียกสีตัวนะว่ารูปกับนามหรือกายกับใจแต่แล้ว เ, เราไม่มีปัญญาเร า, เราเราแยกไม่ออกแต่นี้ถ้าเราถึงถ้าเราถึงคนตายอย่างเมื่อกี้เนะี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าอ้เพาว่าดินน้ำไฟลมเป็นยังไงดินก็คือถ้าจะเป็นแข็งแข็งทั้งหมดจะเรียกอะไรแล้วแต่เรยกว่าเนื้อเรียกว่าหนังเรียกว่ากระดูกเรียกว่าฟันเรียกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น ของแข็งๆเนมันคือธาตุดินธาดน้ำที่มีอยู่อันนี้หมายถึงว่าหมดลมแล้วนะหมดลมคือลมออกจากลมไม่เข้าไม่ออกแล้วมันไม่มีลมแล้วสามตัวที่มีอยู่คือดินน้ำไฟไฟที่มีอยู่จกมันที่ร้อนเผาผลาญทั้งหมดมันก็จะเริ่มเย็นภายในสองชั่วโมงภายในสองชั่วโมง น้ำที่มีอยู่มันก็จะไหลออกช่องทางไหนมันก็จะออกช่องทางนั้นธรรมชาติทีษษษษษ่เป็นกดเร็วแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็จะปรากฏคือร่างกายปกติมันก็ไม่ได้หนักแต่ถ้าหมดลมหาแต่มันหนักมันหนักมันทิ้งน้ำหนักน้ำที่มีอยู่มันก็ลดลงความดันความร้อนที่มีอยู่ประมาณสองชั่วโมงเส็มที่ เพราฉะนั้นเวลาคนตายเราใส่ดวงวันถ้าใครมีญาห้คนตายถ้าใครเจอมัน เ, เป็นลักษณะนี้คือตั้งใจไม่หายใจหัวใจไม่เต้นแล้วหัวใจไม่เต้นก็แปลว่าเลือดมันก็หยุดและหยุดการทํางานไม่ไหลเรียนหมอก็จะปล่อยไว้รประมาณสองชั่วโมงค่อยกลับมาตัวดีครั้งว่าหัวใจมันยังเต้น เ, นเบาเต้นแรปกติหรือไม่ร่างกายเริ่มเยนม็นหรือยังคือธาตุไฟมันร่วง ทำไม่มีกิจกาอะไรก็ลงก็เห็นว่าตายตายทีหลักหลายก็ อ, ออกไปมารรบาตให้มันเป็นติมาออกไปมารรบาตแต่เงี้ยสองขวงคนเก่าก็เหมือนกันเพราะหลังจากนั้นไปแล้วเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายต่วจะเรียกอะไรทำอะไรเตา่ตาเทียนทน้าที่ย่อยอาหารเป็นจุลินทรี ย, อ ย, อย์ทั้งหลายแหล่มันก็ทําหน้าที่ย่อยตัวเรานี่แหละที่เราจะทีนี้ตั้งประทามเปติมาเขาว่าเราเขา ตรงไหนที่บอกว่าเรารูปคืออตตาทํายังไงเราเชื่องใจอนัตตา ม, มองไงที่เข้าใจวันนี้คืออนัตตางว่าอันนี้คือใจรักเราก็เลยพูดถึงใจรักนะบทสรุปว่าอัตตาก็คือใจรักการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเที่นเป็นมันคืออัตตาคือตัวตนคือถิ่นที่นักไฟลมนี่ พอหมดไปแล้วความมองตาเลยยังมองไม่เห็นคือคิดจิตมันยังคิดมันเป็นรูปอยู่เมื่อมันคลองร่างอันนี้ไม่ได้ออกจากอ่างนี้ไปแล้วจิตนี้มันต้องอาศัยรูปอยู่เพราะมันเป็นน้ำมีมชื่อคือเวทนาสัญญาสัง ญ, ญาณียันมันไม่มีที่อยู่มันข้ออาศัยอะไรอาศัยรูปเกิดจากสัญญาที่จา าอาศัยรูปนั้นไปอาศัยรูปนั้นอยู่พราะเรียกสิ่งนี้ว่ารูปประชานคือเพ่งอยู่กับรูปก็อาศัยรูปอันนี้แหละแล้วเข้าใจว่ารูปนี้คือเป็นจริงเป็นจังเป็นจริงเป็นตเหมือนเอามีตัวเป็นตนอยู่เนี่ถ้าอย่างนึกมือออกขึ้นมือนนึกถึงฝันแล้วฝันเราก็เข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นตูกเป็นต่างว่าตื่นขึ้นมาคือพูดง่ายเวลามีสติ คือฝันนั้นมันไม่มีสติอันนั้นเกิดราชาคนไม่มีสติจริงๆแต่ตื่นขึ้นมาคือมันรู้คือรู้ตัวคือสติวิ่งก็หาตัวเมื่อเคยรู้ตัวสึ็อีสีตัวมันก็ทําหน้าที่คือเวทนาญาตนการนี้ทำหน้าที่ต่อทันทีมันก็อาศัยรูปนั้นไปคือรูปละเอียดที่มันยึดนั่นแหละหลักจริงที่ว่าโอปาท า, านเพราะเราตัดไม่ได้ เรตัดอุปทานอะไรอยไม่ได้มันก็ไปต่อจิตมันก็ยึดต่อมันกลาเป็นพบพบเสร็จแล้วมันกลาเป็นชาติเหมือนเดิมนี่แหละชาติเราแปลว่าเกิดแต่พอไปอีกมิติหนึ่งเราจุดติเคลื่อนทำไปไปเกิดพไปจุดติเออเกิดเคลื่อนจิตมันเคลื่อนออกากมันก็ไปอยู่อีกอีกมิติหนึ่งอีกร่ดงบหนึ่งที่มันยึดเอาไว้แต่นี้ทั้งมันนึกภาพออกนะออกมาเป็น ถ้าไม่ใช่คนในขณนะนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นสิ่งแร่างี๋ยวเปนสิ่งเนั้นนั้นคนพวกช้างม้าโบควายเนี่ยนะเขาก็เป็นจิตเหมือนเรานะทขาเปจิตเพราะฉะนั้นทึงบอกว่าอาจารย์ย้ำเสมอว่าจิตสุดท้ายหรือออกจากจิตนี้ต้องระวังมังมากถ้าใครอยากกาหนดกายกําหนดใจอะไงไม่ได้เพราะใจว่ากําหนดนะึก อ, อย่างกำหนดได้ ร ก, กายกับใจเพราะกายกับใจนะมันเป็นที่มาของความทุกข์คือรูปนี่แหละก็คือขานหานี่แหละบทสรุปขันหานี่คือทุกข์ความหมายทั้งทั้งสันทุกข์จะรู้ได้ไงก็ต้องกําหนดกำหนดรดู้รู้ที่มันทุกข์เพราะอะไ ร, ระกรหนดเพื่อรู้อะไรเพื่ออย่างน้อยตัวทีตมันทุกข์เพราะจิตมันไม่ฉชนะเป็นอกุศลก็ทําให้มันฉลาดป็กุศลคือเสร็จ เพราะนั้นรำโทนแจกมึงจะรำสินสินในเพื่ออะไรเพื่อการจัดความไม่ตกกังวลปวดรงองง่าง่ายๆสุดท้ายก็สติจะได้สร้างสติคือมีสติสติแล้วก็สมาธิมันคงเมื่อมีสมาธิคือกําหนดจดจออยู่กับเราเนี่ยเอาสมากําหนดกำหนดกายกำหนดใจแต่ก็แยกออกกายแต่ถ้าแยกไม่ออกจริงจถ้าเราทําโดยยังไม่รู้สิ่งเหล่านี้ ถ้าจิตมันสงบแล้วอยู่แล้วค่อุปจกขาจนเลยไปถึงอัปปนาสมาธิซึ่งมันก็เหมือนคนนอนหลับเหมือนกับคนนอนหลับเหมือ น, นครั้หงหนึ่งด้วยจากประสบการตัวเองตอนทำไม่สบายไม่สบายมากมากก็คือว่าไม่รอดพูดง่ายๆพอร่างกายแล้วมันแย่มากมากยาม ภายอื่นกังไม่ไหวกินอะไรเข้าไปออกมาเหมือนเดิมหมดนั่งทาวัดเ้าเขาเนี่คู่เขาก็ไม่ได้ยกมือขึ้นมาปนมก็ไม่ไหวร่างกายมันขนาดนั้นเองแต่ก็ยังสู้ก็เหมือนทุกวันนี้แหละตอนในภาษาก็อยู่ในโบสถ์ซึ่งสมัยก่อ น, นัม่มีใครรู้หรอกตอคืนมาก็อยู่ในโบสถ์อยู่คนเดียวคืนหนึ่งประมาณเดินยืนเดินนะั่งยืนเดินนะั่งประมาณตีสอง ก็มานั่งอยู่ว่ามันไดอื่นขึ้นมาช่วงมันยมสองก็เหมือนอารมณ์อย่างนี้เลยฝนตกฟ้าร้องแต่พ อ, อจิตมันถอนออกมาถึงได้รู้ว่าโอ้ครั้งนอกมันฝนตกฟ้าร้องมือเมื่อก่อนมันดับไปเลยจิตมันได้บอกขึ้นมาข้างในว่านี่แหละคือกายไม่คือใจจึงเข้าใจว่ากายใจเป็นยังไงกัดย้อนกลับไปที่เดิมไม่มีเม็ดก็ทบทวน ถ้าเรานั่งและพิจารณาอย่างเนี้ยมันสองสามส่วงเหมือนกับแป๊บเดียวเพราะว่ามันอารมณ์มันต่อเ น, นื่องเพอจิตใจเราไปจอ่อโยกไิเหตปัจจัยนั้นนั้นมันก็ไม่ได้จุเวทนาแล้วใช่นห้นี่เรียกว่าข้ามเวทนาไปแล้วพอเวทนาเกิดขึ้นกับรูปโขกเคร่องประสาสักพักก็รู้ว่าเวทนาแล้วเราไปฝึกพูดหรืออพิจิตรือ่องอื่นเวทนาตามที่ถือมาเดี๋ยวก็ดับเองแล้วก็จะโอเกิดดับเป็นอย่างนี้ การเกิดดับบางเวลาเป็นอย่างนี้มันไม่เกิดตลอดมันไม่ดับตลอดมันกเกิดดันดับเป็นอย่างนี้ดันอานารบว่าเนื่งองจากคนมาอวัยวอาจารย์หรือแม้แต่ผู้เจ้าเองสุดท้ายที่กําหนดรูปกำหนดนามจะต้องการให้เราเห็นการเกิดและการดับของรูปและนามเท่านั้นเองแล้วก็แยกออกรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้มันมีอิทธิพลมีเหตุปัจจัยต่อพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายอย่างไร ถ้าเรายังไม่เข้าใจอย่างนี้ยก็คือจะนั่งก็จกได้ว่านั่งตำรวดล้มก็ตำรอจไปสุดท้ายก็ไปชนาประกบก็สู้ไม่ได้เพอาไปต่อจะนั้นไม่ได้บางคนบอกว่าเคยมาถามเมื่อไม่กี่วันก่อนมาถามว่าเขานั่งแล้วเขาเขาเห็นนิดๆถามว่าเห็นนิดๆเห็นอะไรเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นยังไง ร, รู้สึกเกิดจากอะไรเห็นนานไหมเห็นแล้วมันดับไหม แล้วมันดับแล้วสามารถทําให้มันเกิดได้ไหมต้องทำให้มันเกิดหมายถึงว่าถ้าเราเห็นตุมิตแล้วสามารถที่ใช้นมิตมีประโยชน์ก็คือให้มันเกิดก็ได้ให้มันดับก็ได้เปลี่ยนเสมอเราจะดูตัวทัศน์เราก็เปิดมันจะมีแสดงให้เราเห็นอยู่นั้นถ้าเราไม่อยากเห็นก็ปิดถามมันในตัวทัศน์มีภาพได้ยังไงไม่ได้ตอบได้เพราะเป็นคลื่นมันมากับคลื่น จิตเราต้องเหมือนกันถามว่าเมื่อเห็นในเม็ดอย่างนี้แล้วควรจะทําอย่างไรคําตอบง่ายๆก็คือคุณก็จะไปดูมันถ้าคนดูมันก็เหมือนกับเราเดินเดินอยู่ดีเห็นดอกกุหลาบแล้วก็ยืนมองอยู่เลยถามเพื่อนว่าจะทําังงก็คุณไม่ไปต่อมันก็เห็นอยู่อย่างนั้น่ะแต่ว่าดีมันก็ดีแต่คุณไปต่อไม่ได้นะจิตไปจิตอยู่ที่เม็ กติที่อารมณ์เหมือนที่รู้มั่นสอนของพุธ ท, งง ท, ทพธ ท, ที่ติดอยู่ความสงบอยู่ความว่างเนี่ยพุทธป็สิบปี่ะเข้าใจหมดแล้วคือมันมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันเฉยๆเหมืนอนยังไรมันมีผลยดงไงเลยเข้าใจว่าังไม่มีอะไรแล้วที่จริตมันเป็นอารูปฌานมันไปอารูปฌานเดิมจิตเป็นรูปฌานพอพอเข้าใจได้พอมาถึงไปอารูปฌา น, น, นจิตมันไปคล่องอยู่ตรงนั้น คลองที่ว่างๆนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าคล่องไม่รู้ว่าติดนี่คือเหมือนกันเพาเห็นในเม็ดแล้วจะให้ทํำยังไงเนาะเพาใช้ในเม็ดจะเป็นประโยชน์คพิจารณาถึงการเกิดการดับให้เห็นกันแต่ก็อยาให้เร็วที่สุดขอในิมิตดียนั้นแล้วก็อบป็นยาเยโกะเนาะเหมือนตัวเราเนี่ะเราก็เหมือนเนื้อหแต่ว่าการเกิดการดับของเราที่นินื้เนี่ยมันเห็นช้าเกิดเรารู้แต่ตายคือดับเราไม่รู้ดังนั้นเต็นบอกว่า ถ้าเห็นการเกิดการดับของจิตคือสภาวะจิตแบบนี้เห็นก็แไปว่าอะไรมันเกิดอะไรมันดับเช่นความโลภมันเกิดให้รู้ให้มีสติก่อนจะมีความโลภนะอย่างน้อยก็ให้รู้ก่อนอารมณ์ันก็เป็นไปความโกรธกาลังจะโกรธนะก็ให้รู้ท่านเรียกว่าก่อนขณะเรียว่าพ้นไปแล้วสามอาการเพราะนั้น ของคนนี้เหมือนกับศีลที่เรารักษาเนี่เหมือนกันกับตั้นตนเหมือนกันศีลท่านบอกว่ามันอยู่ที่เจตนามันไม่ได้อยู่ในสิกขาบทเราก็ใจมันอยู่ในสกขาปดปันาเดปาตาอธินาตานาันนั้นเป็นสิกขาบทศีลจริงๆมันอยู่ที่เจตนาครูจตระว่าเจตนาหังพิเกเวสิลังปานานิ ที่เป็นคำตรัสระุทธเจ้านะมันพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวว่าศินคือเจตนาเจตนาก็แปลว่าแม้แต่เรื่องอื่นก็ใช้ได้อย่างนี้เหมือนกันเช่นทานก็เหมือนกันเจตนาก่อนที่นี่เจตนาก่อนในขณะที่สินในขณะในต่างๆหรือทําไปแล้วก็ให้รู้ตัวทั้งสามขณะนี้หรือไม่กับการให้ทานเจตนาคือจงใจ เมื่อจะให้ทานในขณะที่ให้ทานก็ให้รู้ตัวว่าทานหรือให้เสรแล้วต้องไม่มีความอะไรเอาวันในทานคือสละไปแล้วโดยจาระคือสละทั้งเรียกว่ า, า, คควาพ้นพ้นจากตัวเราพ้นจากมือพ้นจากกระเป๋าไปแล้วไม่มีความอะไรเอาวัานจริงๆนล้วไม่ต้อกันฝึกให้ครบทุกขั้นตอนไม่ใช่ว่าทําบุญไปแล้วโอ้ยมีเงินหลายบาทให้ไปหลายบาทเอ้กูจะเอาอะไรกินวะอ้าวไม่ไม่ไม มันไม่ครบขั้นตอนมันไม่เสียตอนหลังนี่แหละเราต้น ม, มันดีแต่ตอนหลังมันเสียเพราะฉะนั้นทุกอย่างชีวิตเรามันเป็นกระบวนการเราไปคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเรืออ่องใดรื่องหนึ่งไม่ได้การปฏิบฏัติก็เช่นเดียวกันเราเข้าใจแยกอ่ะเปริญดเก็จะแยกว่าอันนี้คือศีลนี่คือสื่อธรรมะที่ปัญญาแต่พอมันเป็นอันหนึ่งอเดียวกันแล้วเราเอา่ยกคาตาลมอิคายามะ ก็เกิดขึ้นมันมีเรื่องเดียวมีอันเดียวว่าใจมีอันเดียวส่วนที่ก่อนรู้สึกมันเป็นอาการเป็นอาการของใจมไม่ใช่ใจใจตรงเดิมจริงสะอาดสะอ้านมันไม่ม ห, หมอนมองมันถูกเมฆบอกกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลาย ห, ห่อหุ้มปกปิดทั้งบงังเราบองไม่เห็นการกระทำการปฏิบัติของเราต้องการเรากระทะ ให้แกะให้ขัดให้สูสิ่งเหล่านั้นออกจากใจก็คือเดิมทีมันเป็นข้อเปื่อยกระเทาะอันเป็นข้อสารมันเป็นข้อาสารมันก็ไม่เกิดแล้ว้อาสารเป็นหวานมันไม่เกิดแต่ถ้าเป็นข้อเปื่อย ม, มันก็เกิดขึ้นอีกจิตเราทัา้งจะเหมือนกันแต่โดนขัดแล้วโดนสูกแล้วโดนกระเทาะแล้วปัสจากอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วต้องบอกว่าจิตนั้นไม่เกิดกับกายนะ เพราะกายเราเข้าใจแล้วว่าดึนน้ำไฟลมมันประชุมกันทาไมเผาเ้าก็ฝังอยู่แค่นี้แหละคือทําลายถ้าไมาาทําลายจุลชีมันก็เป็นตัวทําลายเองแต่มันก็จะเป็นเชือ้อเชื้อโรคเชื้อร้ายแพร่กระจายต่อไปอีกจะเป็นต้องเผาจริงจะเป็นต้องฝังคือพูดง่ายคือวิธีเก็บกํำจัดขยะนี่เองจะเป็นภาษาเราก็คือคนตายไปแล้วทําอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนขยะ แต่เป็นขยะที่บุคคลไม่ต้องการด้วยต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนพูงรักขนาดไหนก็มีใครเอาเห็นไหมนี่พอเราก็เริ่มเห็นว่าโออันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยงอสุภสัญญาความเกิดขึ้นธรรมะสังเรวจมาเริ่มเกิดธรรมะสังเวชเป็นใจมนเกิดไม่ดีทางในทางมันก็จะเกิดในดิปิธาวิราคะสันติเนปพานะเนปพานคือดับ คือเห็นความดับสุดท้ายปลายทางต้องดับอืก็คือเห็นการเกิดเสุดท้ายคือดับทีนี้เห็นยังไงถึงให้มันสําเร็จประโยชน์คือเห็นเร็วที่สุดดับเร็วที่สุดเห็นการเกิดเร็วรับเร็วทีนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่โดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วทุกขณะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะมหะมันเกิดอยู่ตลอดเวลา ไม่มีขนาดที่มันไม่เกิดเพราะเสียงนี่มันมีตัวเราแล้วแต่ว่าสติปปไม่ทนันเดี๋ยวถ้าเราฝึกสถียต้องการให้รู้ทั้งสี่เหลนี้สุดท้ายจะแยกออกแยกรูปแยกนามก็คือการห้านี่นแหละที่เป็นภาระเป็นภาระอันหนักไม่ใช่ภาระธรรมดาที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ทําความเข้าใจว่าสุดท้ายที่เราบ่งไปที่ร่างกายคือกายคือรูปเป็นหลักนะ เป็นการเข้าใจผิดเรื่องวิชาทิดผิไม่ใช่ส ม, มาธิฐิแต่เรายังเข้าใจรูปต่อรูปเตาจะมีคําว่าเรามันก็จะมีคำํำนาหน้าเช่นของเราของเขาก็คือเป็นเจ้าของนั่นแหละถ้าพูดภาษาเราง่ายๆคือเป็นเจ้าของก็คือยึดนั่นแหละคืออุปทานนั่นแหละแต่เราไม่รู้จึงมาเป็นเราเกิดเป็นเจ้าของทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นเจ้าของหมดเลยยิวทาอาฟอน ปแกจเสียงอื่นๆแม้แต่ปูป่ญาติแก้ร่างกายของเราด้มืนกันแต่สุดท้ายจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประจิตออกจากเนี่ยมันไม่ใช่แล้วจิตมันไปต่ออันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่ฉลาดมีแต่อกจุศติดตัวไปติดจิตไปมันจะเกิดอะไรขึ้นดังการปฏิบัติเท่าที่ต้องการนะครับเราเชิงตอนนี้สิ่งสาคัญคือทํำบ่อยๆทำเยอะเท่าที่มีอยู่มันไม่พอคือมันไม่ทัน มันไม่ทันเราต้องไม่ลืมว่าจิตดวเนี้ยมันอยู่ในภพใิชาตินี้มานานวัฏสงสารมานานแสนนานมันเป็นมารสาหร่าพัดเต็นเลยนะมันเก่งนะมันสอบขาหลอกเราได้นะถ้าจิตเราไม่ทันมันมันก็จะเป็นเราก็จะตามมันมันไปในเราไปตามมันมันคิดไปพูดไรทําอะไรกับตามมันเพราะเราไม่เคยขัดเลยเราเคยขัดขวางเลยคือตามไตลอด เพราะว่าอันนี้คือสาระแล้วก็เป็นกําลังใจเห็นพวกเราในภาษาการนี้หลายๆท่านคืนใน้สิชีพกันคะฆราวาสแย่จมประสงค์าาเนี่ยก็เริ่มมีนเนีแต่อัจฉริภู ม, มิก็เลิกล้ากันไปเที่ยงคืนแย่เดียวมันอยู่ที่สุนทรสางกันเพราะเป็นกําลังใจให้ว่าพ่อไม่ใช่ว่าพูดเป็นอย่างเดียวคือทําก่อนพวกเราหมดแล้วทุกอย่าง เต่เยมไปรอจะรู้จะเห็นไม่เห็นเท่านั้นเองผ่ทาทั้งหมดแล้วของคนนี้ก็ถือว่าคนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันน่าจะบอกอไปแล้วดีเพราะฉะนั้นจึ่งทั้งหมดต้องปวงก็เป็นขอนกำลังใจให้พวกเราเดินเดินนึงก็คือมัดนี่แหละมัดก็คืออะไรสิน ธ, ธุปฏิปัญญาเนี่ยแหละมัดก็คืออะไรคือมุมทางมนทางมีไว้อะไรมีว่าให้เดินแล้วแต่คุณจะเดิน อ้เดินเดินธรรมดามันก็ถึงเป้าหมายช้าหน่อยถ้าเดินถึงเดินถึงวิ่งมันก็จะถึงเร็วขึ้นแต่ถ้าวิ่งมันก็ถึงเร็วกว่าถึงเป้าหมายเร็วกว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเราไปเร็วไปช้าปัญญามันอยู่ที่ปัญญาของพวกเราแต่ปัญญาเราน้อยสมมติเราเดินช้าเราจะเราจะก็มีปัญญานไม่ กึงเดินกึงวิ่งกับปัญญาระดับต่างเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปพูดเดียวหมายคือว่าเห็นกระบวนการเขามันการเกิดการดักของเราเร็วขึ้นอันนี้คือเร็วเร็วเร็วเราก็จะถึงเป้าหมายเร็วแต่ว่าธรรมชาติเคนจิตมันเร็วอยู่แล้วมันเร็วยิ่งกว่าคนใจใจในโลกนี้หมายว่าการเดินทางของเขานาะเ๋ยวเรามองไม่เห็นเราไม่ทันเพราะว่าเราไม่ได้ไปไกลกว่านี้เราเดินช้าเราไม่ได้เดินเร็ว แต่ถ้าเราเดินเร็วเมื่อไหร่เหมือนเราขับรถพอเปลียบเทียบใม่ตังค์ดูมือวาเหมือนเราขับรถเราขับรถข้าขับช้ามันดูว่านี่อย่างไรแต่เราขับเร็วเหมือนข้างทางเหมือนต้นไม้แบบเหมือนมันวิ่งวิ่งวิตามเราจริงต้นไม้ไม่ได้วิ่งหรอกไม้มันอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เราเห็นวอลมันวิ่งเพราะนั่นคือหลอกนั่นคือพยายาแดดเหมือนชีวิตเราทุกวันนี้แหละเราโดนหลอกอย่างนี้ ทุกวันระนันถ้าสติสมาธิปัญญาเรายัางไม่มั่นคงยังไม่เจริญยังไม่เพิ่มขึ้นตัวเร่งภาวนาเมื่อเช้าเราพูดถึงสมาธิก็ภาวนาต่างกันยังไงก็เคลื่อนเนี่ยอะคือความแตกต่างระหว่างสมาธิกจภาวนาอย่าไปสับสนอย่าไปปนเปย์อย่าไปใช้ผสมกันสมาธิหรือสมาธิภาวนาเมื่อเช้าที่ตร้างคําถามว่าภาวนาเนี่ยหลับตาหรือลืมตา ภาวนาลืมตาได้ไหมภาวนาไม่เกี่ยวกับรัตตาลืมตาสมาธิมันเกี่ยวแต่ภาวนาจริงอะอย่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้าเรามีปัญญาแล้วรัตตาทัานก็มีปัญญาลืมตาปัญญาถ้าคนมีปัญญาแต่คนนี้มีปัญญาเหมือนเดิมเราไปถามคนตาบอดเดี้ยมัเห็นเหมือนเราไหมต้องมาเห็นเปรตจินตนาการส่วนของเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆ แขนขาตาจมูกพร้อมคือใช้ได้ทุกอย่างถึงต่างกับคนอื่นกนะบางคนก็มีแขนข้าเดียวบางทีก็มีตาข้างเดียวบางคนก็มีหงหงใช้หงไม่ได้บางคนก็มีปากใช้ปากไม่ได้เห็นไหมเท่าดรงการของศิลปบุกร้องศิลปบุกร้องเป็นอย่างนี้เราถือว่ามาขนาดที่ว่าศิลปเราสมบูรณ์นะมาเป็นคนเป็นรลกได้ตอนนี้ เรามาต่อยอดมาต่อยอดทำให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้มันสูงขึ้นกว่าเราให้มันดีขึ้นกว่าเกานะ่าเสดงว่าเรามาดีแล้วแต่ว่าจะไปดีกันไหนเป็นยิ่นึงแต่ครบาอาจารย์ของหลายคนแลายองค์หลายนามท่านท่านไปดีตระเวนที่รัวใครกันท่านพอแค่ศีลเป็นตัวชียวัดนี่ก็เป็นหลักประกันอย่างชัดเจนแล้วสมาธิ ที่มันจะเป็นห่วงปัญญาไมา่ว่าจะเกิดการมีศัสนาหรือก็จะอะไรก็เขาจะาประสบการณ์ตรงของท่านแต่ละองแต่ละท่านท่านพ ร, ร้อมเพราะท่านได้รับการเพราะบ่มในด้านจิตใจมาช้านานคือทั้งอบทั้งลมกายที่ดิบๆก็ๆสุขใจที่มันดิบๆมันก็กลายเป็นของสุขถ้าเราจะได้เป็นของสุขก็อบเยอะๆลมเยอะๆ คืออุณหภูมิจิตใจมันร้มันเยอะๆน้อยส่วนยังไม่พ อ, อๆๆมืๆๆอเปียกๆแสดงเสมอว่าเราเราปิ้งยากเนี่ยถ้าแรงไฟไม่พอมันก็ได้แค่ของสดสดเด็ดแต่กินได้ไว้มันได้บางคนเขาก็ชอบกินแบบสดสดด็ดแต่จะให้ดีคือถ้าไปจิตใจเขาไปคือต้องเป็นของสุดถ้าเป็นของสุกได้ไฟไมันต้องพอนะไฟคืออะไรความเพียรอาตาปีอาตาปีแปลว่าความเพียรอย่างกิเลสให้ร้อน มันจะร้อนบนในร่างกายมันจะเห็นดินชัดเจนเห็นน้ำชัดเจนเห็นไฟชัดเ็นทุความร้น อ, อนเห็นลมชัดเจนลมในกายท้องมลมมันจะเยอะมันจะดันออกมาลมในสชิสังขะดูว่าโอ้เห็นอาการตื่นเห็นคบเลยอาการครบเลยเคยเราลอย ฟ, ฟังเรื่องหลวงปู่หลูเฟื่องวัดตลุงทันในสชิตลอดชีวิต แกว่าท่านบวชเมื่ออายุเยอะแล้วหากถึงารับราชการมีครอบครัว ม, มีลูกหลายคนหลังจากเกษียณแล้วถึงบวชท่านบอว่าอายุเก้าสิบตอนทักทิพย์โกมันสท่านใช้บอกเราบวชตอนแก่จะประมาณอาศัยในอาศัยชีวิตต่างหตลอดชีวิตนะถามว่าท่านอายุขนาดนั้นทาน่านยังทํ า, ทาทได้พวกเราเนี่ยไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เยอะเลยท่านจึงเห็นท่านจึงมีคุณภาพ ก็หลายหลายองค์ก็ก็จะเป็นอย่างพวกเราที่ทเราเผยเ่าของในสมัยพุทธการขึ้เหมือนกันที่ปฏิบัติในตัว ช, ช่วยถามผู้เจ้าสรรเสริญไหมมันจะอยู่ที่เราความพร้อมของพวกเราถ้าร่างกายยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเพราะวันนี้มันเป็นอุกฤษในการอุกรฤษพุทธเจ้าก็บอกไม่ได้สรรเสริญว่าอย่างนี้ดีแล้วดีที่สุดแล้วไม่ใช่เลยมันอยู่ที่ขันก็แต่ละคนารับได้มากน้อยขนาดไหนเราได้ขนาดนี้น แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงว่าถ้าเราลองเราจะเข้าใจเรื่องดินน้ำไฟลมชัดมากขึ้นถึงแม้ยังไม่มีมีนิดปรากฏให้เห็นยังแยกไม่ออกเราก็จะเห็นโดยความรู้สึกที่เป็นสัญญาอารมณ์นี่แหละว่าเออดินเป็นอย่างงี้น้ำเป็นอย่างนี้มนงี้ไฟเป็นอย่างนี้ป เ, ปนนเราก็เข้าใจว่าเออนี่คือดินน้ำไฟลมที่เรียกว่าคนถ้าเราเข้าใจนะก็ได้โอ ดีน้ำประดมเรื่องหนึ่งนะอั น, นคือรูปนามคืจิตหรือว่าใจใเรื่องนี้ถ้่เราจะเข้าใจขันห้าตอนตัวเราดีแต่เราไม่เข้าใจอย่างนี้คือไม่สามารถเจะละตอนปล่อยวางให้เกิดเรืองนี้ไนดะ้ในเบื้องต้นสุดท้าก็คือไม่รู้จักขันห้าคืออาวิชาในเองเอวิชาความคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรคือไม่รู้ขันห้านี่แหละไม่เป็นอย่างอืง่นที่มันไม่รู้เพราะอะไรมันไม่มียาน ด้วความรู้ใดๆเกิดข right. ึ้นเลยความรู้พิเศษที er ่ไม่เคยมีไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเมื่อก็ตเปิดมันไม่มีเลยมันเห็นเท่าเดิมมันรู้เท่าเดิมมันฉลาดเท่าเดิมมันเี็ความก้าวหน้าแล้วถ้าใครอยากก้าวหน้าคือต้องเพิ่มเพิ่มความถี่เพิ่มความยาวเพิ่มระยะเวลานิดหนึ่งเราจะเห็นความชัดเจนเกิดขึ้นมาเป็นมากขึ้นมันก็แปลว่าการพัฒนาหรือความเจริญหรือว่าภาวนา ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อคำว่าภาวนาเขาเ้เขาใจคำว่าภาวนาแล้วมันจะไม่่เป็นเรืร่องเราูดัตาเพราะมเกี่ยวกับปัญญาด้ยวยกนานนามธรรมไม่ได้รูปธรรมที่เป็นอยู่ระดับนี้ก็ให้เราทั้งหลายได้เพราะปล่มอรมพัฒนาตัเองจนเกิดปัญญารู้เท่าทันกองสังขารอุสนาันานี้ด้วยตนเอง เปานคำภาวนาที่บอกว่าท้พาพระเจ้าขอปฏิบัติบูชาคนของพระเจ้าคนของพระธรรมคนของกอริยสงฆ์ขอแจกพระเจ้าสงบนะครับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความรับรู้ในกองสังขารด้วยปัญญาเฉยที่เป็นคําที่หลวงปู่ตองอิน ใ, นใช้ก่อนอิทนาจะจะใช้ตรงนี้ไปตั้งขคืนอย่างยังไมแรกก็ตั้ ง, ง, งไว้ก่อนตั้งเป้าหมายไว้ก่อน เราควรจะมีเป้าหมายก็ขอให้เราทั้งหลายได้ถึงเป้าหมายถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายให้เป้าหมายอยู่กลางเป้าหมายก็ยังดีดีกว่ายืนเท่ๆอยู่ที่เดิมเนี่ยไปไปไหนมาไหนอยู่ที่เท่ยังไม่พอน่าก้าวอยหลังขบีโอนหลักเลยคนนี้ขอให้เราทั้งหลายได้เนี่ยขอสุดควรจะเป็นก้าวหน้ากันด้านจิตใจทุกคนทุกท่านเพือน